บทที่สี่สิบสามวีตโสกพนวดส่วนผู้ต้องการบรรลุประโยชน์ภายหน้าหรือประโยชน์ในชาติหน้าพระมหาธรรมรักขิดกล่าวต่อไปพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรมสี่ประการคือหนึ่งศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อสิ่งที่มีเหตุผลเช่นก็เชื่อกมท่านเรียกว่ากรรมสัทธาคือยอมรับว่ากรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงนั่นคือดีนี่คือชั่วขอเชื่อผลของกรรมท่านเรียกว่าวิปากสัตธาคือยอมรับว่าผลของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงกรรมดีให้ผลดีมีความสุขความเจริญ กรรมชั่วมีผลชั่วให้ความทุกข์ความเดือดร้อนคอเชื่อว่าบุคคลมีกรรมเป็นของของตนท่านเรียกว่ากรรมมศ ก, กตาศัทธาคือทุกคนทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นด้วยตนเองผู้รับมรดกกรรมที่ตนทำไว้งเชื่อพระยานตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ท่านเรียกว่าตถาคตโพธิสัทธาคือยอมรับภาวะตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในที่บางแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัทธาเป็นเสมือนพืชสัทธาพีชางตะโปวุตธธิตะบะคือคุณธรรมเครื่องเผาปรานความชั่วเปรียบเหมือนฝนเมื่อมีสัทธาดีมีตะบะดีก็ทำให้เป็นผู้เจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรม สองศีลเว้นจากการเบียดเบียนรักษากายวาจาให้เรียบร้อยทั้งส่วนข้อบัญญัติและสมบัติผู้ดีมองเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยไม่ประมาทสามจากคะเสียสละสละทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมแก่สาธารณกุศลบ้างสละเพื่อสมเคราะห์บุตรภรรยาบ้างสละบำรุงสมณพรามณาจารย์ และพระภิกษุสมผู้มีศีลบ้างอย่างสูงคือสละความชั่วความเศร้าหมองในจิตใจความชั่วอันจัดทำให้ไม่ตาย 4. ปัญญาความรอบรู้ได้แก่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักเว้นชั่วประพฤติดีและรู้จักอุบายอันเป็นทางให้เว้นชั่วประพฤติดีนั้นทั้งสีประการนี้เป็นอุบาย หรือทางที่จะให้บรรลุประโยชน์ภายหน้าหรือประโยชน์ในชาติหน้าส่วนผู้ต้องการประโยชน์สูงสุดคือพระนิพพานอันเป็นธรรมดับความเร่าร้อนทั้งปวงประสบสุขสงบเย็นพระผู้มีพระภาคทรงสอนให้เดินตามทางศีล ส, สมาธิและปัญญาอันอยู่ในระดับสูงขึ้นไปซึ่งเหมาะที่จะเป็นเหตุให้ได้รับประโยชน์อันสูงสุดนั้น พระคุณเจ้าการประพฤติรมจ a j a ์เพื่ออะไรวีตโศตรัสถามพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ารมจ a j a ์ น, นี้มิใช่ประพฤติเพื่อหลอกลวงคนมิใช่เพื่อความเป็นเจ้าลัทธิแก้ลัทธิมิใช่เพื่อลาบสัก ร, ระและชื่อเสียงโดยที่แท้รมจ a j a ์ น, นี้ประพฤติเพื่อสังวระความสำรวม ปหาณะการละกิเลสวิราคะการคลายความกำหนัดและนิโรธะความดับทุกข์พระคุณเจ้าความสำรวมการละเป็นต้นนั้นคะลือหัดมีอาจทำได้หรือทำได้เหมือนกันพระเถระตอบแต่โอกาสที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นยาก เพราะคารวาสวิสัยคลุกคล้าวอยู่ด้วยวิสภาคารมนานาประการอันเป็นที่ตั้งแห่งรักโลภโกรธหลงสิ่งแวดล้อมของคารวาสเต็มไปได้วยความมืนเมาและภาระซึ่งต้องแบกมากมายการประพฤติพรหมจรรย์จึงไม่ค่อยสะดวกส่วนภาวะแห่งบรรพชิตเป็นโอกาสว่างไม่เป็นที่มาแห่งธุลีมีความเบากายเบาใจ เป็นช่องทางให้ประพฤติความดีได้มากอย่างน้อยที่สุดการบวชได้ช่วยป้องกันไม่ให้ทำความชั่วได้หลายอย่างเจ้าชายวีตโสกสดับไปใคร่ครวญไปก็เห็นจริงทุกอย่างพระองค์รู้สึกว่าความเข้าพระทัยเรื่องพระสงฆ์ของพระองค์แต่เดิมนั้นผิดพลาดอย่างเหลือเกินมาปัตนี้พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้น ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งรักท่านเขารบเลื่อมสายท่านอยากให้อยากทำบุญอยากกราบอยากไหว้เป็นความอัศจรรย์ประการหนึ่งของพระรัตนตรยัยได้เวลาสมควรเจ้าชายจึงเสด็จกลับรู้สึกมีความชุ่มชื่นมีความเลื่อมใสเพิ่มขึ้น เมื่อถึงพระราชวังแล้วเจ้าชายน้อยก็ทรงคิดทบทวนอยู่ตลอดเวลาถึงชีวิตถึงประโยชน์ของชีวิตความต้องการของชีวิตประโยชน์ของชีวิตคือความดีพระเถระได้ถวายวิสัชนาแล้วความต้องการของชีวิตเล่าคืออะไรชีวิตเราต้องการอะไรทรัพย์ยศเกียรติจริงอยู่บุคคลย่อมต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่บ้างและ บางคนก็ต้องการอย่างมากแต่สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่มีภาระเครื่องกังวลทวงชีวิตให้รู้สึกหนักและเหน็ดเหนื่อยอยู่ไม่น้อยคนที่มียศมากมีเกียรติมากโอกาสที่จะมีความสงบสุขช่างน้อยเสียเลิศเกินโดยเฉพาะยศและเกียรติของผู้ไร้ทรัพย์มันเป็นศัตรูคอยทำลายจิตใจอย่างรุนแรงเหมือนพายเรือในโคลนทั้งหนักและเหนื่อย และไปได้เพียงเล็กน้อยอาศัยบารมีที่เคยสั่งสมมาเป็นเวลานานเจ้าชายวีตโสมีบารมีอันเต็มเปี่ยมแล้วมียานแก่รอบในอรหัตมรักอรหัตผลจึงทำให้มองเห็นสว่างในทางบรรพชาตกลงพระไทัยอย่างแน่นอนว่าจะบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจึงได้นำความนี้ ทูลเจ้าอาโศกพระเชษฐาาดาจอมจั ก, กรพัฒทรงทราบเรื่องนี้เกิดความกรุณาแก่พระอนุชาเป็นที่ยิ่งพระอสุชนคลอพระเนรโถมเข้าสวมกอดพระสอแห่งเจ้าชายวีตาโศแล้วตรัสอย่างลังเลพระไทยว่าวีตาโศเธอคิดเรื่องนี้ดีแล้วหรือคิดดีแล้วพระอนุชา ต, ตอบ ทรงนิ่งอยู่ขณะหนึ่งแล้วตรัสเพราะความกรุณาว่าวีตาโศกเธอจงสละความคิดนีเ้เสร็เถอดเธอเป็นกษัตริย์ควรแก่การครองเมืองต่อไปในภายหน้าเธอเคยอยู่ร่วมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นเหล่าเดียวกันวันณะเดียวกันพี่ไม่ได้ถือวันณะดอกแต่เกรงเธอจะลำบากเพราะเพศบรรพชิตนั้น พระผู้มีพระภาคไม่ทรงเกียรกันวันนะจึงอยู่รวมกันระคนคบหาคลุกคล้าด้วยภิกษุซึ่งมาจากวันณาต่างๆแม้แต่จันทานเธอจะทนอยู่อย่างนั้นได้หรือหม่อมฉันทราบมาว่ากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้ามิใช่พระญาติบ้างได้เคยสละรัชสมบัติออกผนวดมามากต่อมากแล้ว เมื่อท่านเหล่านั้นอยู่ร่วมด้วยภิกษุซึ่งมาจากวันนะต่างๆได้ฉะไหนหม่อมฉันจะอยู่ไม่ได้พระพัทยะพระอนุรุตธะพระอนอนท์พระมหากัปปินะล้วนแต่เคยเป็นกษัตริ์ทั้งสิ้นวีตโศกเธอเคยใช้ผ้าเนื้อดีชนิดพิเศษซึ่งสั่งมาจากแคว้นกาสีละเอียดอ่อนเนื้อนิ่มถ้าเธอบวช เธอจะต้องใช้ผ้าบางสุกุลซึ่งเก็บมาจากกองขยะอันทาตทิ้งแล้วหรือมิฉะนั้นก็เป็นผ้าหอ่อศพน่าเสียดเสีเอียนพึงรังเกียจก็ขอมาจากเรือนผู้อื่นจากมือนางทาสีบ้างจากทาตและกรรมกรบ้างจากคนจันทานบ้างคนเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างสกปรกอาหารก็ต้องสกปรกไปด้วยเธอเคยบริโภคอาหารอันประนีต ข้าวสาลีครุกด้วยเนื้อโอชาสะอาดรสเลิศมีกลิ่นหอมเธอจะไปทนรับอาหารอย่างภิกษุไววหรือไม่ควรแก่เธอเลยเธอเคอยนอนบนพระยีปผู้ อ, อ่อนนุ่มมีคนคอยปรนิบัติพัดวีคอยนวดเฟ้นเมื่อเมื่อยขบหากเธอบวดจะต้องนอนและนั่งบนที่นั่งที่นอนอันลาดด้วยยญกาอยู่ใต้โคนไม้ ในยามป่วยไข้จะต้องนอนบนใบพึกษาทั้งหาคิลาเพศสัตว์ได้ยากยิ่งเพศสัตวที่พระพุทธเจ้าทรงอดองด้วยน้ำมูดเน่าเธอผู้เป็นสุขมาลชาติจะสามารถทนความเสียดแทงความหิวกระหายแดดร้อนและลมหนาวได้ลหรือจงสละความคิดนี้เสถเธอพี่ขออ้อนวอน เจ้าชายวีตะโศกจึงทูลว่าราชาที่ราชหม่อมฉันนั้นเดิมทีก็ไม่ได้เลื่อมสายในพระพุทธศาสนาเจ้าพี่พยายามให้ยอมรับนับถือเดิมทีหม่อมฉันซึ่งเป็นเสมือนกุญชรชาติที่ไม่รู้จักคมขอจึงหลงเที่ยวสัญจรไปในป่าแห่งความโง่เขลาแต่เพราะพระปรีชาสามารถของพระองค์พระบรมพุทธวาท จึงได้นำหม่อมชั้นให้กลับเข้าทางที่ชอบเพราะฉะนั้นขอพระองค์โปรดประธานอนุญาตให้หม่อมชั้นนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเพื่อได้ประพฤติทำอันประเสริฐเป็นยอดแห่งประทีปของโลกเถิดเรื่องความลำบากยากเข็ญที่พระองค์ทรงเป็นห่วงนั้นหม่อมชั้นเชื่อว่าไม่นานนะักคงจะเคยไปเองและเมื่อเคยเข้าแล้วก็จะสบาย บุคคลผู้ปรารถนากรรมรมดอกเล่าจึงกลัวต่อความทุกข์ยากลําบากเช่นนั้นส่วนผู้ประสงค์บำเพ็ญพรหมจันทร์ย่อมไม่รู้สึกเป็นทุกข์ต่อความยากแค้นซึ่งมีอยู่บ้างในรสอันตนจะพึงประพฤติพร้อมกันนั้นย่อมไม่เห็นศัตรูผู้ทําลายล้างตนไม่มีใครจะทําให้ยากจนได้ราชาที่ราชโลกตกอยู่ในเงื้อมมือแห่งมัจจุราช นายแห่งความตายบุคคลอ่อนโลกอิดโรยถอยกำลังลงเพราะโมตะเกียดตะกายในสิ่งไร้ผลหม่อมชั้นเกรงจะต้องเกิดอีกแล้วแล้วแล้วเล่าจึงน้อมจิตไปในทางแห่งความสุขอันิรภัยเมื่อได้สดับดังนี้เจ้าชายอาโศกจินทรงกันแสงพระองค์ทรงเป็นห่วงคำนึงถึงความลำบากของพระอนุชา ฝ่ายเจ้าชายวีตโศกมีความประสงค์จะปลอบพระทัยของพระราชาจิงทูลว่าบุคคลในโลกนี้มีภาวะแห่งชีวิตเหมือนอยู่บนยานอันโคลงเครงคงต้องตกลงมาเป็นแม่นมั่นหรือเสมือนอยู่ในเรือที่ต้องพายุแรงถูกกระแทกกระทันด้วยคลื่นมหือมาลูกแล้วลูกเล่าคงต้องจมลงในสังสาคร ต้องจมลงในสาครหม่อมชันเกรงภัยในสังสาครนี้จึงปรารถนาใคร่บวชสำหรับเรื่องการจากกันระหว่างพี่น้องนั้นแม้เราจะไม่จากกันในเวลานี้ความตายก็ต้องมาพรากเราให้จากกันไม่วันใดก็วันหนึ่งพระเจ้าอาโศกทรงพิจารณาเห็นพระอนุชามีพระทัยแน่วแน่เช่นนั้นก็ทรงอนุโมทนาแล้วว่า น้องบอกลาพระมารดาแล้วหรือเมื่อทรงทราบว่ายังไม่ได้บอกลาพระมารดาพระเจ้าอาโศกจึงรับสั่งให้พระอนุชานำความเรื่องนี้ไปกราบทูลพระมารดาโดยด่วนหากทรงทราบก่อนทูลลาจะทรงหมองพระทยัยวีตาโศกจึงรีบเสด็จไปเฝ้าพระราชชนนีกราบทูลเรื่องมีเจตจำนงจะทรงผนวดให้ทรงทราบ พ, พระนางวิมังสาเทวีทรงทราบแล้ว ปลื้มพระไทยจนไม่อาจกลั้นพระอสุชนได้เข้าสวมกอดพระปิโยรสแล้วพร่ำว่าวีตาโศเจ้าทำให้แม่ปลื้มใจเลือกเกินโอรสองค์ใหญ่เป็นกษัตริถึงความเป็นใหญ่ทั่วราชอาณาจากักรโอรสองค์น้อยจะทรงออกผนวดหากรุ่งเรืองในาศาสนาจากักบำเพ็ญประโยชน์อย่างกว้างขวางแล้วแม่นี้มีบุญหนักลูกเอ๋ย พระรัตนตรัยนั้นมีคุณแก่โลกเป็นอเนกอันนานแต่จะมีประโยชน์ยางยิ่งแก่บุคคลผู้เลื่อมใสมุ่งความบริสุทธิ์แก่ตนและปฏิบัติตามโดยชอบแม่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระรัตนตรัยนั้นจะมีประโยชน์ยางยิ่งแก่บุคคลผู้เลื่อมใสมุ่งความบริสุทธิ์แก่ตนปฏิบัติตามโดยชอบ หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้แล้วพระรัตนตรัยไม่อาจอำนวยประโยชน์อย่างสูงให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อหนึ่งและข้อสามนั้นจำเป็นต้องมีขาดไม่ได้อันหนึ่งลูกออกผนวดก็เพื่อมุ่งความสงบ แม่เชื่อตามพระพุทธพจน์ว่านัตติสันติบารังสุขขังไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบพระพุทธศาสนายอมรับเหมือนกันว่ามีความสุขอย่างอื่นอยู่ด้วยเช่นกามสุขชาณสุขและกามสุขนั้นย่อมเจือด้วยความร้อนใจสุขประเดี๋ยวก็ปรับทุกข์อีกเหมือนคนกระทบหนาวแล้ว เข้าใกล้กองไฟแม้ในขณะนั้นจนเกิดความพอใจแต่มารไม่ต้องประสบความร้อนแห่งไฟส่วนฌานสุขย่อมเกิดจากฌานที่แม้จะประนีตกว่ากามสุกก็จริงแต่ก็เลื่อมสายได้ไม่ยั่งยืนส่วนนิพพานสุขอันท่านเรียกว่าสุขสันติสุกนั้นละเอียดประนีตไม่เจือด้วยทุกข์และไม่มีความร้อนใดจะยั่งยืนมั่นคง ไม่แปลปรนเป็นทุกข์อีกด้วยเหตุนี้แม่จึงปลื้มใจนักหนาที่ทราบว่าลูกจะเดินเข้าทางนี้ท่ามกลางความประโมทแห่งทวยนาครชาวปาตลีบุตรนั่นเองเจ้าชายวีตศกอุปรารก็สละกองโภคะและเกลือญาติปลงผมและหนวดนุ่งผ้ากาสายะในสำนักของพระมหาธรรมรักขิตณอโศการาม แม่เชื่อตามพระพุทธพจน์ว่านัตติสันติป ร, รังสุขขังไม่มีความสุขใดยิ่งกว่าความสุขอันเกิดจากความสงบพระพุทธศาสนายอมรับเหมือนกันว่ามีความสุขอย่างอื่นอยู่ด้วยเช่นกรรมสุขชาญสุขแต่กรรมสุขนั้นย่อมเจือด้วยความร้อนใจสุขประเดี๋ยวก็กลับมาทุกข์อีกเหมือนคนกระทบความหนาวแล้วเข้าใกล้กองไฟ แม้ในชั้นต้นจะเกิดความพอใจแต่ไปนานหน่อยย่อมต้องประสบความร้อนแห่งไฟส่วนชานสุขอันเกิดจากชาและจะประนีตกว่ากามสุขก็จริงแต่ก็เลื่อมได้ไม่ยั่งยืนส่วนนิพพานอันท่านเรียกว่าสันติสุขนั้นละเอียดประนีตไม่เจือด้วยทุกข์ไม่มีความร้อนใจและยั่งยืนมั่นคง ไม่แปลปรนเป็นทุกข์อีกด้วยเหตุนี้แม่จึงปลื้มใจเป็นนักหนาที่ทราบว่าลูกจะเดินทางเข้ามาด้วยเหตุนี้แม่จะปลื้มใจเป็นนักหนาที่ทราบว่าลูกจะเดินทางเข้าทางนี้ท่ามกลางความประโมทแห่งทวยนาครชาวปัตติบุตรนั่นเองเจ้ชาชายวีตศกอุปราชก็สละกองโพคะและเครือญาติ ลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะในสำนักของพระธรรมรักขิตนอโศการามเมื่อผนวดแล้วก็ไปบำเพ็ญความเพียรนักแคว้นวิเทหะหลายเดือนมาจึงไปเยี่ยมพระพาดาเสยครั้งหนึ่งและเมื่อได้เฝ้าพระมารดาด้วยครั้งใดที่มาสู่ปาตลิบุตรก็แสดงทมถวายพระราชาและราชบริษัท พระบรมวงสานุวงพระเจ้าอาโศกทรงเลื่อมใสามากเมื่อพระวิตโศกลับสู่อโศการามได้เสด็จออกไปทรงประนมพระหัตไปตลอดทางประชาชนชาวปัตลีบุตรก็เอาอย่างและเปล่งวาจาว่าพระอนุชาอันพระเชษฐาดาตามเสด็จไปพร้อมด้วยประนมพระหัตนี้ถ้าอนิสงแห่งบรรพชาซึ่งเห็นประจักษ์แก่ตา และเป็นกิจที่ควรทาส่วนจอมจั ก, กรพรรดิอโศกเมื่อประทับนะราชมนตีนทรงปรารภกับพระองค์เองว่าพระวีตโศกได้หลุดพ้นจากบ่วงแล้วเหมือนสกุลชาติอันหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการลอยอยู่ในอากาศปล่อยให้อยู่ในอากาศปล่อยให้เราถูกรัศมีดึงอยู่ด้วยบ่วงมารมากมายโอ้วีตโศก เธอช่างประสบความปลอดโปร่งอะไรเช่นนั้นวีตศก บ, บำเพ็ญเพียรอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอารหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา